ดังนั้นเองเราก็จะต้องเอาศีลตัวเนี้ยมารักษาใจคือศีลที่เป็นประมัิแต่ศีลที่เป็นสมมติด้ศีลรักษากายรักษาวาจาพอเป็นศีลประมัิก็เป็นศีลรักษาใจใจรักษาศีลได้ัง <c oughs> นั้นเอง <c oughs> อเมื่อเราจเจริญสติแบบนี้เราก็จะต้องรับศีลอย่างที่เรารับมาเมื่อค้คือไม่ต้องรับกับพระ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 แต่สมัธ น, นวิรัติการขอคือการอาขอร้องให้บอกข้อสีลให้แต่สมัมปตาวิรัตนี้ไม่ต้องขอสมัธนทางใจได้เลยโดยสีนดังนั้นในสีลแบบนี้ท่านจึงบอกว่ามันเป็นความหนักแน่นาตามคุณสมบัติของมันเข้ามาจากคาว่าสีสีลา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 เพราะรักษาศีลเยอะสองรอย่ิบเจ็ดก็เวลาสึกเวลาพระเจ้าพระเจ้าก็ถามาเอ้ยทำไมเลิกศึกล่ะเพราผมอยู่บ้านสบายกว่าเมื่ออยู่วัดเดมมีแต่ข้อห้ามจุกจิกๆอยกกิกกนข้าวเย็นก็ไม่ได้ไปเที่ยวดูน้งฟังเพลงก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่แบบฤทธิ์เขาทำก็ไม่ได้เพราะนั้นมันสะดวกผมลายศึกดีกว่า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 ตามตีมันไปนู่นไปนี่นผิดปกติพอมันอยู่ปั๊บสินเกิดที่นี่อ๋ออสินเกิดก็เลยไปหาผูา้ดีเจ้าผมไม่ศึกหรเอเขาทำไมผมรักษาสินได้แล้วนั่นะะแล้วเป็นยังไงง่ายหรือยากมันก็ยากตั้งแต่แรกแรกต่หลังจากที่มันเกิดแล้วมันง่ายว่ากันรักษาสินข้อเดียวง่ายเยอะเลยคือรักษาใจรักษาศินแต่ปรากฏว่า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 เพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักปฏิบัติที่เป็นพุทธแท้ๆเลยนะสินแบบนี้สมาธิเหมือนกัน <c oughs> สมาธิก็มีสองรูปแบบสมาธิแบบสมมุติกับสมาธิแบบปรมัตา์อ่าสมาธิแบบสมมติเป็นยังไงอ่สมมติว่าจิตมันนิ่งมันเป็นสมาธิกายมันนิ่งเป็นสมาธิคนไหนนิ่งๆสมาธิดีนะ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 ห่องใสจิตไม่มีอะไรที่ไปรบ ก, กวนะนะทำอะไรก็ทำวัา น, นั้นมีความสุขกับการกระทำทำงานได้ทั้งวันยิ้มได้ทั้งวันไม่บุญ ไ, ไม่เบ้ยวไม่หนีเห็นไหนี่สมาธิเป็นประมัดเป็นปริสโธ ท, ทำงานด้วยความสนุกด้วความสุขและสนุกในการทำงานสามกรรมนิโย ค, คล่องแคล่วว่องไวเตรียมพร้อมอะไรเกิดขึ้นทำได้ทันที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 ไม่ต้องนึกอ่ะแต่นี่เขาเรีออยยานคื อ, อยานีไม่ต้องนึกไม่ต้องจําสัมผัสก็ปัจจุบันนี้เขาเรียกอะไรระบบสัมผัสทางทางวัตถุเขาตามทานเนือนะระบกบกดปุ่มระบบสัมผัสนี้เขาเรียกเป็นยานแต่ระบบเมนูนี้เป็น ชานที่ต้องใช้มือหมุนใช้มือกดคลิกอยู่นนันี้ย็เรียกว่า ร, ระบบของสมารถอยู่เมนูระบบสมารถะระบบแอนะล็อกแต่พอเป็นวิวัฒนาเป็นระบบอะไรดิจิตอลบบนนะแล้วกันเห็นแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็ตามเอาความรู้ของบุริย่าเนี่ยมาพัฒนาใช่ไหอดังนั้นเองสมาธิแบบนี้มันไม่ต้องเข้าต้องออก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 คพอมันเป็นหนึ่งเดียวกับายในสุขทุกข์เปลี่ยนเวียนจิตไม่ได้แล้วใช่ไหมชาติที่สามเป็นแล้วเห็นไหมพอชาตที่สี่ท่านบอกว่าอ่ามีสติและอุปกขาเป็นอารมณ์หมายความว่าสติเข้มแข็งสมบูรณ์แล้วก็วางเฉยต่ออารมณ์ที่มากระทบได้ด้วยละทุกข์ละสุขเสียได้านะ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 ปุ๊บไปนนปุ๊บไปนนปุ๊บไนไปเป็นวิตุวิจารณ์ลงไปเรื่อยๆเป็นสมาธิแบบนี้จีตคือมีสติและอุเปคาไปรวบยอดเราเลยเป็นชาิที่สี่เลยจเจริญสติแล ะ, จะเจริญอุเปเเคร์จะยุกจะนั่งจะย่่งจะเดินคือมีสมาธิค่อยจเจริญสติแล้วก็มีสมาธิในการใช้นะเอเยบทต่างๆแล้วก็โดยธรรมชาตินะ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 แต่เรานั่งแค่ชั่วโมงเดียวมันจะงอกสะเงีกแล้วหวัวไม่ตรงแล้วอะ่ะใช่ไหมเออเพราะงะั้นเราจะไปฝืนทำไมได้ ท, ท, ทั้งที่รู้ว่าตัวเองอ่อนแอก็ใอยากจบไปฝืนฝืนไปฝืนมาก็กลายเป็นบาทเท่นั้นนอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเฉื่อ่มันกลเป็นบ้า是是สเพราะสมาธิเพราอะความสามารถไม่ถึงใจจะเอาอ่ะค็มมีทั้งเรื่องอื่นมันไม่เอานี่เราพบหลวงพ่อเทียนตรงนี้เองท่านบอกเอา้าตรงนั้นท่านทํามาแล้วยี่สิบสามสี่ปีมันไปไม่ได้ความสามารถความสามารถระดับท่านนะ แล้วเราไม่ได้ถึงท่านเราจะไปเอาดีกว่าทําเป็นไปไม่ได้เราก็มาใช้ตัวนี้ซะใช้ตัวเคลื่อนไหวเนี่ยยีบทสียืนคัดชันโตวาคัดชามีติประชาณติเมื่อยืนก็ให้รู้ว่ายืนที่โตวาที่โตมาฮีติประชาณติเมื่อ่เมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ว่ายืนนี้สินโนวานี่สินโนมาฮีติประชาณติเมื่อนั่งให้รู้ว่านั่งแค่นี้แหละเหมือนกับหายใจเข้าก็ให้รู้ออกเข้าหายใจออกก็รูออกเข็มัอนเดียวกัน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 พูดพูๆพูดพูด พ, ด พ, ดพดนี่นความสามารถไม่พอถ้าความสามารถพอค่อยหยิบเกเลยชิ้นทำไปโอ้ข้างนอกมันตะโกนทำอะไรรีรบๆออกมาหน่อยสิพูดฟ พ, พูดฟันเลยทีนี้ฉันรอตั้งนานแล้วนาก็ ไ, ไปทำอะไรอยู่นะเสียอีกบางทีสถากนการณ์บังคับแต่ในกรณีในห้องบ้านเราไม่มีใครมาเล่งมาเราเลนะทำได้แต่ใช้เวลาเท่าไหร่นี่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 ใครตามได้ตามทันเนี่ยสติมันละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเ อ, อันต่อมาว่าคาเตทีเตนิสินเนตุนฮีพาเอพาสิตเตตุนฮีพาวเวการยืนการ น, นั่งการ น, นิ่งตุนีพาวเแต่นิ่งก็ให้รู้ว่าเรานิ่งเนี่ยใช่การหลับก็ให้รู้สุดเตการตื่นก็ให้รู้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 การกินการดื่มการเคี่ยวการลิมเจ็ดการหลับการตื่นการนิ่งการนั่งการพูดใช่ไหมทั้งเจ็ดอย่างตัวอิทริบทแค่มีแค่ 4, สี่สัมมาญามีถึงเจละเอียดเข้าไปละเอียดาง้ไปถ้าเรารู้หลักแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าเราตั้งใจจะทำะมันไม่ยากใช่ไหมแต่ทำเพราะอะไรถึงเราไม่ตั้งใจเพราะเรายังไม่เกิดแรงบันดาลใจยังไม่เกิดความมั่นใจและยังไม่มีแบบอย่าง ถ้าแต่ละคนเนี่ยตั้งใจแบบเป็นแบบอย่าง้องกันแล้วกันเนี่ยจะลุกจะนั่งจะยั่งจะยืนแล้วสงกแล้วก็ดูรุ่งนว่นนะแต่มาเคยไปเข้าสาหนอ น, หนี่นะโอ้โหวเวลาลุกมันพร้อมกันจริงๆไหลเหมือนหุ่นเดียว น, นั่นะโยกเยกเยกเยกเหมือนลมพัดโอหอย่างนี้ก็เกินไปนะมันผิดธรรมชาติอะ่ะเดินยุ้ยไปมันทื่อมันไม่เป็นธรรมชาติ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 ดินน้าลงไฟก็พิจรารณาอย่างนี้ก็ได้อันนี้จะเป็นสมถะไปวิปัสสนานี่มีแค่สามอนาปาอนาปานี่เป็นได้ทั้งสมถะวิปัสสนาแล้วก็ทั้งส่วนที่เป็นสัสมปชัญญะและียบุเนี่ยเป็นวิปัสสนาแต่ถ้าตุสี่พิญญาธาตุสี่ขันห้าอสุภะหกเนี่ยก็เป็นสมถะไปแล้วเพ่งแต่ว่า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 อ่าแต่ถ้าดูก่อนนะลุกปืนยีงมาทั้งนั้นก็หลบไปใช่ไก็เห็นแล้วดูก่อนมันเห็นนี่ทํามะไม่ใช่ลึลกๆลับอะไรแต่มันลึกขึนึกไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมแล้ว ก, ก็เลยเส้นผมบองภูเขาแต่ไปทําให้มันเป็นนะโอ้หมดเวลานี่ยนะสามทุ่มละนะก็ขออนุบุษนาสาธุนะในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะศึกษาเรียนรู้ด้วยความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่จริงจัง